เราท่านทั้งหลายก็นั่งสงบระลึกถึงอยากให้เราเจริญพุทธคุณกันนะลำดับแรกก็คือนั่งสงบรละลึกถึงดอกไม้ต้นไม้เนี่ยที่อยู่ข้างหน้านะเทียนทูบทูบเทียนดอกไม้ของหอมข้างหน้า และให้นึกถึงดอกไม้ทั้งหลายในบริเวณภูใจใสทั้งหมดเลยเนะนในบริเวณภูเขานี้ทั้งหมดดอกไม้ป่าไม้ของสวยๆงามๆในบริเวณนี้ทั้งหมดอาคารสถานที่เนสล า, านีนะ่ทั้งดอกไม้ต้นไม้วิวอากาศ สิ่งปลูกสร้างอาคารตั้งหลายเหล่านี้ที่เห็นที่รับรู้น้อมถวายบูชาพระทานบารมีของพรธเจ้าที่เริ่มบำเพ็ญมาตั้งแต่พระชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายที่ได้ตัดสุ้สัมมาสัมพธิยานณนะแดนตัดสั้นุตายจนประสิมาโผด้วยการบูชาพระทานบารมีของพระเจ้าด้วยเครื่องสการะเหล่านี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนเข้าถึงพระธานาบรมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดขอน้อมถวายเครื่องสักการะมีดอกไม้ที่ปรากฏตรงหน้าและดอกไม้นานาพันธ์ทั้งหลายสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ทั้งหลายสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่ ที่ข้าพเจ้าคิดได้น้อมถึงได้ขอบูชาศีรบารมีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญตั้งแต่พระชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายจนเป็นปัจจัยโดยการตัดสูสัมมาสัมปชัญญนะนัแดนตัดสู้ใต้ต้นพระศีรษนะโพลนพุทธคยาด้วยการบูชาพระศีรบารมีของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึง ศีละบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเธอขอน้อมรละลึกถึงดอกไม้ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าและดอกไม้ทั้งหลายที่อยู่บริเวณเหล่านี้ทั้งหมดต้นไม้ใบหญ้าความสวยสดงดงามทั้งหลายอาคารสถานที่สิ่งของทั้งหลายที่กระเจ้าดระลึกได้ อบูชาเนคขมะบา ร, รมีตั้งแต่พระชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายที่เป็นปัจจัยต่อการแทงตลอดสัจจะสี่ได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกับพระเจ้าเนเดนทัสรู้นภูธคยาแห่งนั้นด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาพระสีเนคขมะบา ร, รมีของพระเจ้าในครั้งนี้ขอจงเป็นปใจใัจจัยใข้าพเจ้ามีส่วน ในเนกขมมะบา ร, รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดขอระลึกถึงสิ่งของทั้งหลายมีดอกไม้ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในบริเวณเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเป็นต้นขอบูชาปัญญาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระชาติแรก จนถึงชาติสุดท้ายแห่งการทัสรูส้สัมมาสัมโพุทธญาณนันเดนทัสรู้ด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาปัญญาบา ร, รมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพระเจ้ามีส่วนในพระปัญญาบา ร, รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถอด ขอร้องเครื่องสการะทั้งหลายที่ปรากฏตรงหน้าและเครื่องสการะทั้งหลายที่มีอยู่ที่ระลึกถึงได้ในะครั้งนี้บูชาพระวิริยะบา ร, รมีตั้งแต่ระชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายที่เป็นปัจจัยแก่การตรัสรู้สมมาสัมพุธิยานของพระพุทธเจ้าโดยอานิสงส์แห่งการถวายบูชา วิริยบารมีของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าเข้าถึงพระวิริยบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดขอน้อมถวายเครื่องสการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าระลึกได้นบบัดนี้บูชาคันติบารมีของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายจนเป็นปัจจัยแก่การตัศลุสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยปัจจัยอดีสง์ที่น้อมถวายบูชาคันติบารมีของพระเจ้าในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคันติบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดขอน้อมถวายเครื่องสการะทั้งหลายที่ปรากฏต่อนหน้าและเครื่องสการะทั้งหลายที่ข้าพเจ้าระลึกได้บูชาสัจบารมี โดยอานิสงส์แห่งการบูชาสัจจะบารมีของพระเจ้าตั้งแต่ชาติแรกจนถึงชาติสุดท้ายจนเป็นปัจจัยการตัสรู้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในสัจจะบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นด้วยเถิดขอน้อมบูชาน้อมนําเครื่องสการะทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในใจของข้าพเจ้าทั้งหมดบูชาอธิษฐานบารมี ตั้งแต่พระชาติแรกจนชาติสุดท้ายจนเป็นปัจจัยแก่การตัศรุสัมมาสัมปวริญานโดยอานิสงส์แห่งการบูชาสัจจะบารมีในครั้งนี้ขอจงเป็นอธิฐานบารมีในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าเข้าถึงอธิษฐานบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถอดขอน้อมถวายเครื่องสักดิ์สททั้งหลายที่ปรากฏในใจข้าพเจ้าบูชาพระเมตตาบารมี และอุเบกขาบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ชาติแรกจนถึงตัศลุสัมมาสัมพุทธญาณดยการถวายเครื่องสการาทั้งหลายบูชาเมตตาบารมีเวคขาบารมีของพระเจ้าในครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยข้าพระเจ้าทั้งหลายเข้าถึงพระเมตตาบารมีพระเวคขาบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดขอน้อมเครื่องสการะทั้งหลายที่ปรากฏในใจข้าพระเจ้าทั้งหมด บูชาอสาธารณญานหมีอาศยานุสยญาณอินทริยปรโรปริยติญาณมหากรุณาสมาปฏิญาณยมกะปฏิหาราิญาณอนนาวรณญาณและพระสั พ, พยุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนหาประมาณไม่ได้โดยการระลึกถึงเครื่องสกาละทั้งหลายที่มีปรากฏ ทั้งหลายในใจครับพเจ้ า, าน้อมถวายอาสาธรนญาณหกในครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจัยครับพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในการแทงตลอดอริยสัจสีเป็นพุทธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในปัญญาตัสรูสัมมาสัมโพธิยานของพระพุทธเจ้า ปรารถนาจะเป็นพุทธตามพระพุทธเจ้าปรารถนาจะเข้าถึงความงามในเบื้องต้นคือศีลสมถวิปัสนาปรารถนาจะเท่าถึงความงามในทถ้ำกลางคืออริยมรรคอริยผลปรารถนาจะเข้าถึงความงามคือพาณิพานปรารฏนาจะเข้าสู่ความเป็นอริยะออกจากปุรชนเข้าสู่ความเป็นอริยะตามหมู่อริยสงฆ์ทั้งหลาย ด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนาอันนี้ด้วยการบูชาอย่างนี้ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ขอคุณของพระรัตนตรยัยคุ้มครองข้าพเจ้ากระแสชีวิตขันข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมเข้าหาอนุปัฏฐานปรินิพานคือการเส้นจากกิเลสและกองทุกข์โดยเรลวพันด้วยเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทาตของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาตุของพระเรียสงพระเรียสง์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายมอบขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์กระแสะชีวิตที่เหลือขอให้เป็นภาระของพระราชนตรยัยขอสมาทานในการออกจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายเพื่อเข้าถึง เดินตามลอยบาทพระศาสดาขอให้พระพุทธเจ้าพระรรมประสงค์โปรดจำข้าพเจ้าเป็นสาวกเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งอนุปาฐาปรินิพานให้เราท่านทั้งหลายน้อมใจในการระลึกถึงเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะที่เราได้มีโอกาสมาสารรเสริญเรามีปาก เราก็มาบำเพ็ญสัมมาวาจาด้วยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเรามีกายก็กายเรามานอบน้อมพระพุทธเจ้าเรามีใจก็มาลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามีปัญญาก็มาพิจารณาใคร่ควรถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธาเรามีความเพียรเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาขอนําคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจปรารพบุณของพระพุทธเจ้าโดยไม่ห่างหายโดยไม่สางสา ใจระลึกถึงคุณกับพระเจ้าให้แนบแน่นในใจจะคิดถึงคุณกับพระเจ้าให้มากคิดถึงสิ่งอื่นนํามาซึ่งความเดือดร้อนใจไม่สบายใจพอคิดถึงพระพุทธเจ้าใจเราสบายใจมีความสุขใจเป็นไปกับความไม่มีโรคไม่มีของเสียเป็นใจที่สะอาดป่องแผ้วไม่มีมลทิน เป็นใจที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นใจที่เป็นไปกับศรัทธาเป็นไปกับความสุขเป็นไปกับญาณปัญญาและลึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทงตลอดอริยสัจสีได้ด้วยตนเองโดยการละลึกบูชาพระปัญญาคุณของพระเจ้าขอเจ้าพระเจ้าทั้งหลายมีส่วนในพระปัญญาคุณของพระเจ้าด้วยเถิด และลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชาหิริกรระนอตปาอุตจับริสุทธิ์จากบาปอคติละธรรมลามกบริสุทธิ์จากทุจริตทั้งหลายมีกายและทุจริตเป็นต้นพระเจ้าเข้าถึงความบริสุทธิ์จากกิเลสและของทุก์ได้ทั้งหมดด้วยการและลึกบูชาพระบริสุทธิ์ทีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งนี้โดยอมิตสบูชาและปฏิบัติบูชานี้ ขอจงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนในการเข้าถึงความบริสุทธิ์เหล่านั้นด้วยเถิดข้าพเจ้าขอบูชาพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอนหาประมาณไม่ได้พระเจ้าเบิมเพนบา ร, รมีมายี่สิบอสงไขยิ่งโดยแสนมหากัปได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมรธิญาณแล้วได้ประกาศหลักการพระธรรมให้เป็นไป หมุนกลงล้อแห่งธรรมให้หมุนไปในกระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายพ้นจากชาติภัชยชราภัยพญานิภัยมรณะภัยเป็นต้นทํากระแสชีวิตของบรรดาสัตว์เหล่านั้นให้เข้าถึงอนุปาทาผลินิพานขอให้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหมุนกลงล้อแห่งธรรมเข้าสู่กระแสชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากชาติภัชยชราภัยพญานิภัยมรณะภัยเข้าถึงอนุปาทาผลินิพานด้วยเถอด คอยข้าพเจ้ามีส่วนในคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงแล้วเข้าถึงคุณที่พระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายเข้าถึงแล้วโดยสะดวกโดยพลันโดยไม่ลำบากข้าพเจ้าทั้งหลายมาประกาศยืนยันความเป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความมั่นคงไม่หวั่นไหวจะปลึกผลพัฒนาตนเองจากโลกิยะสถานคมเพื่อเข้าถึงโลกุตระสถานคมให้เราท่านทั้งหลายระลึก นึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใจเอิบอิ่มเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณของพระเจ้าไม่ห่างหายในกระแสของความคิดในห้องหัวใจของเราท่านทั้งหลายให้บรรจุ ค, คุณของพระเจ้าไว้ให้มากฝังเป็นอัธยาศัย จนสามารถทํากุศลและชาวนะให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องในการระลึกถึงคุณของพุระเจ้าโดยไม่มีบาปอคุณทั้งหลายก็ามาตัดรอนให้สมาทานตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะสร้างจะยังความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองให้ได้โดยการระลึกถึงคุณของพุระเจ้าให้ติดต่อและต่อเนื่องให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นเป็นไปตามลําดับ ถ้าใจเราไม่มีคุณของบาุทธเจ้าให้มีพลังให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะไม่ปลอดภัยภายในสังสารวัฏเลยนานนักหนาที่สัมมาสัมพุทธเจอุบัตเกิดขึ้นที่ธรรมะเจะอุบัตเกิดขึ้นที่สังฆะเจอุบัตเกิดขึ้นบัตนี้เป็นบุญยาลาบของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเห็นพุทธธรรมะสังฆะ ที่เข้าถึงพุทธธรรมสังฆะเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดภัยกำจัดกิเลสกำจัดภัยกำจัดความกลัวกำจัดความสะดุ้งความบาดเสียวกำจัดกองทุกข์กำจัดทุกขติให้หมดสิ้นไปจากกระแสชัว่วข้ารพรเจ้าทั้งหลายให้เราท่านทั้งหลายจงเข้าถึงพระรรมนิยตรยด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มันตะไพที่รอดักเราอยู่กําลังหมุนมาหากระแสชีวิตของเราทั้งชาติภัยชลาภัยพยาธิภัยมราณะภัยทั้งความโศกความลำลายลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้งใจมันล้อมตัวเราล้อมกระแสชีวิตอยู่หมุนเหมือนกับโปเขาหินที่หมุนมากลิ้งมาอย่างทิศ ท, ทั้ง4 ส, สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีที่พึ่ง บัดนี้เราท่านทั้งหลายเข้าถึงเกาะเอาสาระเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้ได้เราจะได้พ้นจากหมันดภัยและกองทุกเหล่านั้นให้ระลึกและให้มีความเอิบอิ่มและมั่นใจในพระรัตนตรัยอย่างนี้